บุญกุศลนี่ผู้ใดทาผู้นั้นก็จึงรู้ได้ถ้าหากว่าไม่ใช่อนุภาพแห่งบุญกุศลแล้วมันจะโดนบันดาลให้เรามาอยู่ป่าเขาลมเนาไัยอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจะเหงากันยันนึกหาแต่ความสนุกสนานอะไรโต อ, อะไร นึกหาแต่สังค ม, น, น, มนู่นนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยจะได้ให้อุบายธรรมะไว้เสียแล้วก็จะได้ไปฉะนั้นขอให้พากันตั้งใจฟังเรืธ อ, ออนุภาพแห่งบุญกุศล น, นี่ มันเป็นไปเพื่อความสงบเพราะฉะนั้นผู้ใดมีบุญมากขึ้นมาแล้วมันจึงชอบสงบอันนี้ไม่ชอบวุ่นวายนี่เป็นลักษณะของผู้มีบุญมากเราต้องเอาไอ้เรื่องนี้แหละเป็นเครื่องวัดเราจะไปเอาตั้งแต่เงินแต่ทองเขาของมากมายนั้นมาเป็นเครื่องวัด ว่าเป็นคนมีบุญมากอย่างนั้นนันรู้จะไม่ถูกเท่าไรนักก็จะมีถูกอยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ถูกตรงต ร, ง, ตรงจริงๆแล้วมันต้องหมายเอาบุคคลผู้ที่เบื่อหน่ายต่อความวุ่นวายต่อความเละเทะต่างๆในโลกแล้วก็ยินดีแสวงหาความสงบ ทางกิจใจนี่อันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเป็นคนมีบุญมากจริงเพราะว่าบุญนี่เป็นมีลักษณะเป็นของสงบเป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อน ดังนั้นเมื่อบุคคลใดมีบุญมากๆก็ไปแล้วมันจึงชอบถ้งแต่ความยึกเย็นอความทะเลาะวิวาดพิถีพิถันอะไรก็ไม่ชอบคนมีบุญมากนะ น, นี้ชอบแต่ความรองดองสามัคคีความชื่นชมยินดีต่อกันในการกระทําความดีนี่เมื่อต่างคนต่างทําความดีแล้ว เราก็ส่งเสริมกันเราไม่กลัวว่าใครจะล่ำหน้าตนไม่กลัวว่าใครจะเอาเปรียบตนไม่ต้องกลัวแบบนั้นนะใครจะทำดีสูงกว่าเราเราก็โมทนาด้วยอย่างนั้นถ้าเพื่อนจะละกิเลสขาดจากสันดานไปก็โอ้ยสาธุขออนโมทนาด้วย แต่เรายัางละไม่กิเลสไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามฝึกตนไปนี่ลักษณะของบุคคลผู้มีบุญมากขึ้นในใจเรามันมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีบุญน้อยนั่นมันกลงกันข้ามเลยแสวงหาแต่เรื่องวุ่นวาย เรื่องไม่สงบระ ง, งับเพราะคนมีบุญน้อยนี่มันสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันถึงได้ลกกวนจิตใจให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มียุติลงได้นี่เป็นลักษณะของของตัณหา บุคคลผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาปล่อยให้ตันหามันจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่จบไม่สิน้นทั้งที่ตนไม่มีโอกาสที่จะได้ตามที่ตนคิดนั้นแต่มันก็ไม่ไหวที่จะคิดนี่แหละเรื่องของตันหานะ อันคนผู้มีบุญนี่มีปัญญามันก็รู้จักประมาณตนเมื่อตอนมีวาสนาเพียงเท่านี้มีความเป็นอยู่เพียงเท่านี้เช่นนี้ก็ต้องวางตนให้เป็นอยู่แค่นั้นแหละไม่เย่อหยิ่งไม่อวดดีต่อใครเลยนั่นเองไม่ต้อง มีตกว่าเขาจะดูเมินเย็ดย้อว่าตนนั้นเป็นคนต่ำต้อยต่ำสักต่ำสกุลอะไรต่ออะไรพวกนีไ้ไม่ไม่ไม่มีวิตกเลยคนมีบุญมากคนมีปัญญาเพราะมันมาถือเอาความบริสุทธิ์ใจนี้เป็นที่ตั้งนั่นเอง เมื่อตอนมองเห็นใจของตอนมันบริสุทธิ์จากบาจากโทษอยู่อย่างนี้แล้วใครจะว่าเราตามต้อยใครจะว่าเราเป็นยังไงก็ว่าไปเราก็ไม่น้อยเนื้อตาใจอะไรเพราะว่าเรามีบุญกุศลความดีเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วไอคนผู้ที่สรรเสริญอนินทาตนนะั้น เขาไม่ได้เอาอะไรมาให้응เขาไม่ได้มาช่วยจนให้มีความ ส, สุขความสงบแต่อย่างใด응เขาก็ได้แต่ว่าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะไปวันไวอะไรไปตามคำพูดของคนเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เรา응แล้วเมื่อเราไม่ยึดถือเอาคำสรรเสริญคำนินทาเหล่านั้นแล้วเรื่องเช่นนั้นมันก็ หายวับไปกับอากาศหมดเลยไม่มีเหลืออยู่เพราะเราไม่ได้ทรงจำเอาไว้เลยก็ขอให้ฝึกใจของตนให้เป็นอย่างนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะมไม่ควรที่จะไปยึดถือเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนั้นนะ ไม่คนที่จะไปยึดถือเอามาวิศกวิจาร์อยู่ไม่รู้จบรู้สิน้นไอ้อย่างนั้นนะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นนีไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นครึงหัดไอการปฏิบัติธรรมนี้ไปแนวเดียวกันเลยมันเป็นงั้นโดยเฉพาะที่เป็นพระนี่นหะเราต้อ ง, ย, งยิ่งเข้มงวดขึ้นไปกว่าครึงหัดไปอีก เพราะว่าเป็นพระนี่เป็นผู้ขันทันเรียกว่าอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเหนือกว่าขรึงหัดผู้ครองเลือนเพราะนั้นเราจะต้องปรับปรุงขีดแจงตนให้อยู่เหนือผู้ครองเลือนนะจะไม่วันไหวนั่นเองฝึกใจของตนให้เข้มแข็งอบรมปัญญาให้เกิดสอนใจไม่ให้ถือมั่นอะไรต่ออะไร ในโลกนี้เนี่ยเราต้องฝึกไปนในใจเนี่มันจึงค่อยได้เราฝึกไปพร้อมกับมีเหตุมากระทบกระทั่งนั้นเนี่ยหรือเมื่อเวลาไม่มีเหตุมากระทบะทั่งเราก็สอนใจไว้สอนใจให้รู้เท่าไว้คันเมื่อมีเหตุมากระทบเราก็ฝึ ก, กจิตไปในขณะที่มันกระทบนั่นแหละ อฝึกไว้ให้มันวันไหวสะกดมันไว้อย่างนี้นะข่มมันไว้อืมย่าให้มันวันไหวอย่าให้มันตื่นเต้นกับเรื่องดีเรื่องตั่วต่างๆในโลกอืถ้าถ้าเราไม่ห้ามจิตไว้ไม่ข่มไวอย่างเนี้ยแน่นอนะจิตนี้มันก็ตื่นเต้นไปยินดียินร้ายไปเสียใจไปโกรธไปมันก็ไปอย่างนี้ยสายของมันอะมัน เพราะว่ามันยังละรากเหง้ายังถอนรากเหง้าของกิเลสต่างๆของนั้นไม่ได้นะดังนั้นนราจะไม่ให้มันหวันไหวจะได้หรือให้พากันเตรียมตัวใครๆก็ดีอย่าไปนอนใจอย่านึกว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่หมดกิเลสมันยังนอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละ แต่เมื่อมันยังไม่แสดงฤทธิ์ออกมานั้นรู้เหมือนกับ ว, ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในใจนั้นนั่นแหละคนมันไปมักจะนอนใจตอนนั้นแหละไปเห็นใจของตอนดีเป็นปกติอยู่เรือคล้ายๆว่ามันไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่นั่นแท้ที่จริงกิเลสส่วนละเอียดนั้นะปัญญาของตนไม่แหลมคมพอ มองไม่เห็ น, นเพราะมองไม่เห็นจ้นั่นแหละมันถึงละมันไม่ได้แล้วกิเลส่จงละเอียดนั่นแหละเมื่อไม่เพียรพยายามละมันสะสมมันไว้นานเข้ามันก็กลายเป็นกิเลสหยาบมาได้เหมือนอย่างพืชพันธ์ต่างๆหมูนั่นนะเมื่อมันงอกขึ้นจากดินวาที่แดงมันก็ เป็นพืชที่อ่อนแอที่สุดอย่างนี้นะอะไรถูกน้อยหนึ่งก็วิบัติไปเออถ้าหากว่าปล่อยให้มันงอกงามขึ้นมาเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาสูงขึ้นไปแล้วแบบนี้นั่นมันแข็งแรงแล้วแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นกิเลสในหัวใจของคนเรามันก็เป็นเช่นนั้นเลม เมื่อผู้ใดสนับสนุนมันส่งเสริมมันไปเท่าไรมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหาว่าจิตนี่ไม่ส่งเสริมมันล่ะมันก็มีแต่กำลังมาอ่อนลงไปเรื่อยๆนี่สำคัญนะให้จำเอาไว้ให้สังเกตไว้ก็อย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลย ถ้าผู้ใดฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็ลบควนจิตใจไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าใจของตนมันชอบบุญชอบกุศลมันไม่ชอบกิเลสอย่างนี้นะเก็เมื่อใจมันโน้มน้าไปทางบุญกุศลแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสขึ้นมา กิเลสก็เกิดไม่ได้ที่มันมีอยู่แล้วมันก็อ่อนกําลังลงเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันเนี่ยสําคัญมากนะให้พากันจําอุวัยอันนี้ไว้ไอนการที่กิเลสมันจะมากขึ้นได้นั้นเพราะว่าจิตนี่เองไปส่งเสริมมันนะ่ะออจิตไปวิตกเวจาร์ไปมากๆเข้าไปเท่าไรกิเลสมันก็ต้องมีกําลังมากขึ้นเท่านั้น นั่นกิเลสมีกําลังเพราะจิตวิตตกวิจารณ์นี่จะให้เข้าใจไว้ถ้าหากว่าจิตสงบเฉยๆอยู่เนี่ยกิเลสมันจะไม่มีกําลังนะะมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อจิตนี่วิตกวิจาร์ขึ้นมาไอก้กิเลสภายในมันเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยอวัตถุภายนอกเป็นเครื่องล่ออืม เช่นฉิดไปยินดีในรูปในเสียงเหล่านี้เป็นต้นมันก็วิตกวิจารณ์ว่าเอรูปนี้สวยงามอย่างนุ่มอย่างนี้เข้าไปเสียงนี้ไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้พอมันวิตกอย่างนี้เท่าไรแต่ความรักความชอบใจความอยากได้มันก็เกิดขึ้นเลยนี่นะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะที่เล็ดในใจของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มันเกิดเองใจนั้นนะเป็นผู้ คุงแต่งขึ้นมาดังนั้นผู้ใดมาห้ามใจอันนี้ได้ห้ามวิตกวิจารต่างหูวนี้ได้แลวอย่างนี้ไอ้กิเลสตั้งๆมันเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยนั่นแหละที่มันมีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นมันก็มีแต่อ่อนกำลังลงคอยแต่มันจะตายไปเท่านั้นแหละเพราะว่ามันมันไม่มีปุ๋ยใสม่มัน ปุยของกิเลสเหล่านั้นก็คือความรักความชังนี่เองเ ล, ละดังนั้นเมื่อบุคคลใดมาห้ามจิตมาให้เกิดความรักความชังขึ้นมาแล้วก็ไอ้กิเลสที่มีอยู่แล้วหมดนั้นมันก็อ่อนกําลังลงเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีกอถึงแม้มันจะเผลอมันเผลอวิตกไปก็ให้มันวิตกไปนิดหน่อยพอรู้ตัวแล้วก็กําหนดใจละมัน กำหนดใจละความวิตกวิจาร น, น, นั้นต่อไปอืมก็เรารู้นี่เราวิจารณดูแลออกความวิตกอย่างนี้มันเป็นสื่อให้เกิดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเรากําหนดรู้ไว้อย่างนี้แต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติละมัดระวังเรื่อยไปพอเผลอมันวิตกขึ้นมามันก็รู้ได้ปะนี่รู้ว่า นี่กําลังจะ ก, ก่อกิเลส ข, ขึ้นมาแล้วนี่มันรู้ตัวอย่างนี้มันก็งดงดวิตกต่อไปสติเข้าไปควบคุมจิตไว้ภายในแล้วก็สอนจิตเข้าไปหาอุบายสอนจิตนั้นให้มันเบื่อหน่ายต่อความวิตกวิจารณไปในเรื่องที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหานี่ไอจิตอย่างนี้นะมัน มันวิตกวิจาร์อย่างนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วเหตุที่มันจะพ้นทุกไปไม่ได้ก็เพราะมันไม่ละความวิตกวิจาร์อารมณ์ต่างๆ ท, ที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอย่างว่านี่นะเกิดมาชาติไดมันก็มาวิตกวิจาร์มันมามาสร้างความรักสร้างความชังสร้างความตกเศร้าเสียใจความโทมนัสครับแค้นต่างๆหมดนี้นะ ให้เกิดมีขึ้นในในจนทบชาตมานี่เราต้องทบทวนดูให้ดีถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างความวิตกวิจารณ์อย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจกิเลสเหล่านั้นมันจะไม่ติดตามเรามาจนถึงในปัจจุบันนี้เลยเ อ, อ่ขอให้คิดดูให้ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้เอาละ ต่อในไปเราจะวิตกเราจะไม่วิจารนไปในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความรักความชังต่างๆหมู่นี้ถ้ามันเผลอเกิดขึ้นแล้วก็จะกำหนดละมันทันทีจะไม่ส่งเสริมให้มันลุกลามขึ้นมากมายต่อไปเราอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้ทุกคนนะขอให้เข้าใจอันนี้อุบายวิธีละกิเลสนะ เราอยู่เฉยๆอย่างนี้จะให้กิเลสมันหมดไปไม่ได้หรอกไม่ได้มันไม่หมดเพราะว่ากิเลสกิเลสมันก็เกิดจากความวิตกมาอนกั น, นการที่เราจะลา ก, กิเลสเราก็ต้องวิตกออมันเป็นอย่างนั้นเราต้องวิตกวิจารวิจารณสิ่งที่ยึดยึดไว้นั่นแหละนั่นวิจารณกิเลสที่ใจมันพางขึ้นมานั่น่ะ ทำไมยึงยึดเอากิเลสนี่ไว้ยึดกิเลสไปแล้วมีดีอย่างไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้นะก็วิจารณ์ดูพอวิจารณ์รดูแล้วมันก็มันก็รู้ได้ฮนะ่ะอันทางที่จะเป็นสุขไม่มีเลยมีแต่มันจะเป็นทุกข์นั่นเลยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสบางอย่างมันก็เป็นทุกข์น้อย แต่บางอย่างมันก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้แหละไอ้กิเลสบางอย่างมันที่ตกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะเมื่อมันไม่ผิดศีลแล้วมันก็มีโทษน้อยถ้ากีิเลสอันใดที่ตกกิจารขึ้นมาแล้วมันผิดศีลเข้าไปผิดธรรมเข้าไปอย่างนี้มันมีโทษมากอันกิเลสประเภทนั้นนะ นี่เราต้องสังเกตดูอืาต้องสังเกตดูจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าจิตมันวิตกคิดอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะเอามาปรุงเป็นอาหารการกินอะไรต่ออะไรมโมนี่แล้ววันนี้ความคิดอีกอย่างหนึ่งความคิดที่ว่า เออของของสิ่งนั้นนะมันควรจะเป็นของเราเราควรจะหวงเห็นอามันไว้เพราะว่าเป็นของมีค่าเป็นของหายากอะไรอย่างนี้นะเช่นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าบางอย่างเมื่อวิตกขึ้นมาของอย่างนี้เราควรจะหวงควรหวงไว้เพราะของมีค่าอย่างนี้นะไอความคิดอย่างนี้นะมันไม่เป็นบาปหรอกแต่ว่ามันเป็นกิเลสแบบ น, นี้นะ มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้คลองอยู่ในโลกสงสารอันนี้มันไม่ถึงกับไปตกนรกหมกไม่อะไรความคิดเช่นนั้นแต่ความคิดว่าเราจะต้องไปฆ่าสัตว์ไปล่าสัตว์ทำ้ายชีวิตสัตว์เอามาขายบ้างเอามาปรุงเป็นอาหารรับประทานบ้าง ถ้าไปตกไปอย่างนี้ถ้าลงมือทำไปอย่างตามที่คิดนั่นอย่างนี้นะมันก็สำเร็จเป็นบาปอากุศลมีโทษมากมีสิทธิ์ที่จะไปตกนรกได้ทําให้ล ะ, ะนี่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังไอความคิดที่ว่ามันประกอบไปด้วยกิเลสนี่นะนั่นแหละกิเลสบางอย่างเมื่อปรุงแต่งมันขึ้นมันก็เป็นบาปอากุศล บางอย่างไม่เป็นบาปอากุศนแต่เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกผู้ที่ละความคิดที่เป็นอกุศนดังกล่าวมานั้นได้แล้ววันนี้ก็มาพยายามระงับความคิดที่เป็นกิเลสเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกต่อไปนี่การละกิเลสมันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้แหละพยายามสํารวมจิตของตนไว้ให้ดี อย่าให้มันหลงไหลไปเกาะไปคล้องอยู่กับของที่เป็นที่รักที่ชอบใจต่างๆหมู่นั้นนะ่ะเราไม่คล้องอยู่กับมันแต่ว่าเราก็อาศัยมันอยู่เราก็ต้องทำอย่างนั่นเรื่องมันนะเช่นยกตัวอย่างว่าเราไม่ได้สำคัญว่าบ้านเรือนนันเป็นของเราแต่เราก็อาศัยบ้านเรือนนั้นอยู่อืม เรากำหนดในใจอยู่ว่าเราเราอาศัยอยู่ทั่วคราวเท่านั้นแหละบ้านเรือนหลังนี้นะเราจะไม่ได้อยู่ไปนานอะไรเลยเมื่อหมดชีวิตหมดอายุแล้วก็ต้องจากไปมันเตือนตอนอย่างนี้เสมอเสมอแล้วจิตมันจะไม่คล้องอยู่ในเรือนนั้นเลยแม่สิ่งในเรือนก็เหมือนกันนะเมื่อเรามีอุบายแยบคายสอนจิตใจไปอย่างนี้นะมันก็รู้เท่าไปหมดเลยวันนี้ มีเหมือนไม่มีอะไรแบบนี้นะแม้มันจะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรมันก็ไม่มีโทษอะไรแบบนี้อมืมันก็ไม่ไม่ได้ให้เกิดทุกขโทมนัทขับแค้นอะไรเพราะมีสมบัตินมากนั้นเพรรู้เท่า น, า น, านี้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นไงไม่ยึดไม่ถือแต่แหัดอาศัยมันอยู่นี่ เมื่อผูกใจได้อย่างนี้เมื่อเวลาจวนจะสิ้นชีพทําลายขันใจมันก็ไม่ได้ไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพอได้ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีอืเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบททัติธรรมนี่มันก็เป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้ถึงแม้ว่าใจมันจะไม่ผูกพันอยู่ก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็ยังละไม่ขาดอืมแต่เรา ใจไม่ผูกพันสมบัติอยู่ในโลกอันนี้ใจผูกพันอยู่ในบุญในกุศลเห่นนี่นะเมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตบุญกุศลนั่นมันก็เป็นญาณหานะนำดวงกิจไปเกิดในพบในชาติต่อๆไปมันนี้ท่านผู้ที่ไม่เกิดอีกนะั้นน่ะ เนื่องจากว่าอันใดเป็นเหตุให้เกิดบาปอากุศลท่านก็ละหมดแล้วอันใดเป็นเหตุให้ก่อให้คล้องอยู่ในโลกนี่ท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละตลอดถึงขันธ์ทั้งห้าอันนี้อท่านก็ละความยึดความถือได้เสียโดยประการทั้งปวงแล้วนี่ดังท่านผู้เช่นนั้นนะ่ะ เมื่อหมดบุญหมดอายุสังขารลงไว้แล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่ต้องเิรียเทียวเกิดเทียวตายอีกต่อไปนี่แหละการละกิเลสนะให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้แต่นั้นให้สำรวจกวดกาตัวเองดูขั้นตอนของการละกิเลสเราละมาได้อย่างไรบ้างเมื่อเรารู้ว่า กิเลสขั้นนี้เราละมันมาแล้วนี่างนี้ยังยังขั้นนั้นเราอย่างละอย่างละมันไม่ได้อก็รู้พอรู้แล้วก็เพียรพยายามละกิเลสในขั้นนั่นต่อไปอเราเพียรเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เนะี่ยมันก็เรียวว่ามันไปได้สะดวกเลยอไอ้บางคนใจร้อนนะอื ใจร้อนทําความเพียรหวังว่าจะละกิเลสให้มันขาดไปเลยอให้มันหมดไปไวๆอย่างนี้แล้วก็เมื่อทําความเพียรเด็ดเดียวไปมันไม่สามารถจะละกิเลสขาดจากสันดานได้ตามประสงค์ก็ท้อใจเลยนั่นแหละที่เราเนี่คงไม่มีวาสนา คงไม่มีวัฒนาในชาตินี้น่ะที่จะมาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดมันสิ้นไปเอาละเราก็จะต้องถอยหลังไปทำบุญทำทานตามประเพณีไปเพื่ออบรมบารมีให้แ ก, กล้าขึ้นไปก่อนเราจึงค่อยมาทำความเพียรละกิเลสปัญหานี้ให้หมดสิ้นไป ผู้ผู้ผู้ที่คิดเช่นนั้นแล้วมันก็แน่นอนมันก็ถอยหลังไม่ไหวพระไม่ภาวนาไม่ทําความเพียรเด็ดเดี่ยวอะไรเอคนนิสัยอย่างนั้นมันมีนมในโลกอันนี้นะนิสัยอย่างนั้นเอมันไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผู้เช่นนั้นมันก็จะดําเนินไปหาทางพ้นทุกข์ได้อยู่นั่นแหละแต่เทว่ามันกลับกอก มันมันไม่สม่มเสมอไปแต่ทางที่ถูกแล้วก็ควรจะดำเนินให้สม่ำเสมอไปไอ้ความเพียร น, นี่นะเอาไม่ได้เร็วก็เอาช้าตั้งใจลงไว้อย่างนี้นะก็เรามันว่าสนาของเรามันมีเพียงแค่นี้แหละเราก็จะต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆการละกิเลสกับ การสร้างบุญบา ร, รมีมันไปเป็นคู่กันมันควบคู่กันไปต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราละกิเลสได้อย่างได้อย่างหนึ่งลงไปอย่างนี้นะมันก็เป็นบา ร, รมีขึ้นมาเป็นบุญกุศลขึ้นมาอเช่นอย่างว่าเมื่อมีเรื่องมายั่วให้โกรธเราอดได้ไม่โกรธออื เรากำหนดละความโกรธอนั้นให้ระ ง, งับลงไปได้นี่มันก็เป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วนะ น, นะเป็นบา ร, รมีขึ้นมานติบา ร, รมีก็เกิดขึ้นเมตตาบา ร, รมีก็เกิดขึ้นปัญญาบา ร, รมีก็เกิดขึ้นมาเลยทีนี้นั่นนะถ้าไม่มีปัญญามันก็จะระ ง, ง, งับความโกรธนั้นไม่ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังการสร้างบา ร, รมีนะ ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนี่บารมีมันจะแก่กล้าขึ้นไปเองอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องลงมือกระทามันต้องมีเหตุนั่นแหละมันต้องมีเหตุก็เหมือนอย่างเคยเปรียบอุปมาอประมาให้ฟังอยู่บ่อยบ่อยนั่นนี่เหมือนอย่างคนปลูกพืชลงในดิน อ่ามันต้องลงมือดายยากขุดดินปรับดินให้มันเสมอก่อนอย่างนี้เลยเนื้อตุกพืชอะไรลงนี่มันก็งามขึ้นได้อันนี้กายวาจาใจของคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยพูดสั้นๆว่าอ่าเมื่อเมื่อความโกรธมันจะเกิดขึ้นเราไม่ส่งเสริมมันอ่าละความโกรธนั่นไปอาจเจริญเมตตากรุณาขึ้นมาแทน ให้เมตตาทำกรุณาธรรมมันเกิดขึ้นแทนความโกรธนี่เมื่อความโกรธมันละงับไปเมตตาทำกรุยาณธรรมมันก็เจริญขึ้นในใจเหมือนอย่างเราปรับพื้นดินให้มันสม่ำเสมอเรียบราบแล้วปลูกพืชอะไร ล, ลงไปนะนะั่นแหะมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อย่างนั้นเนี่ยอืนี่ทุกสิ่งทุกอย่างทย่ว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทําดังนั้นเราจะไปกลัว อย่าไปกลัวว่าโอ้เรานี่มันจะถกเขานินทาว่าร้ายลรกลัวอยู่อย่างนั้นทำอะไรไปก็กลัวแต่คนอื่นจะนินท้าจะไม่พออกพอใจอย่างโน้อนอย่างนี้อยู่เรเลยไม่กล้าทำอะไรไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นให้เข้าใจแล้วตั้งเจตนาว่าจะทำดีลงไปแล้ว ใครจะนินทาหรือสรรเสริญก็ก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเอเรื่องของเรามีแต่ก้มหน้าทําดีไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําดีอยู่แล้วอย่างเนี้ยใครจะสรรเสริญหรื อ, รรอรนินทามันก็เรื่องของเขาเราจะไปเดือดร้อนอะไรนี่ก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปอะอที่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสไว้แล้วว่า นัตถิโลเกอานินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจำเอาไว้ที่พุทธภาษิตข้อนี้เราจะไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อเขานินทามาเราจะได้สาธยายคาถาอันนี้ขึ้นมาเออคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนะจะไปตื่นเต้นทำไมเอ ก็ปล่อยให้เขานินทาไปเสียอคนจะไม่ถูกสนรเสริญนี่ก็จะไม่มีในโลกเหมือนกันอนะไรเมื่อทําดีไปเขาเห็นดีด้วยเขาก็สนรเสริญเยินยอให้นี่มันเป็นธรรมของเก่ามีมาตั้งแต่ดึกดำบรรณนู่นเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งไว้ในใจสิถ้าไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งไว้ในใจอย่างนั้นแล้ว เมื่อเวลามีเหตุฉะนั้นมาถึงเข้ามันก็ตื่นคำสอนของอุตธเจ้าเนี่ยเราต้องฟังให้ดีฟังแล้วต้องเอาไปวิจาร์ให้เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติเราไปวิจารดูว่าธรรมะข้อนี้ท่านสอนให้ลงมือปฏิบัติไปอย่างนี้ทำ ทำในใจอย่างนี้ทำกายอย่างนี้ทำวาจาอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาดูให้รู้ในทางปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเรากำหนดรู้ในใจอย่างนั้นแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติไปตามนั้นเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดจากการกระทำขอให้เข้าใจและให้ชัดเจน การกระทานี่มันเป็นอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของสัตว์โลกเหมือนกันเลยสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกสนันนิวาตอันนี้แล้วอย่างนี้นี่มันจะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีไม่ได้มันต้องทำทั้งนั้นเลยเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้ว รูปร่างกายอันนี้มันก็อาศัยปัจจัยสี่จึงดำรงอยู่ได้อาศัยอาหารอาศัยผ้าหนุ่งผ้าหม่มอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นอาคารบ้านเรือนอาศัยหยุกยาแก้โรคไคลไข้เจ็บต่างๆนี่แหละอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะทุกวันนี้นะแม้แต่สัตว์ในฉานมันก็มีโรงพยาบาลเหมือนกันนะ สุนัขบอกแมวบอกของสัตว์เลี้ยงต่างๆคนนี้พอเจ้าของสังเกตด้ว่ามันป่วยไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอหมอตรวจแล้วหมอก็ให้ยาตีดยาบอกให้ยากินบอกเหมือนมนุษย์ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นหัวควายก็เหมือนกันนะกต่จนว่าตั้งกองสัถาบระแพทย์ไว้เลยนะเป็นอย่างนั้นสัตว์เลี้ยงนี่มันก็จึงค่อยมีชีวิต รับใช้มนุษย์ไปได้ถ้าหากว่าไม่มีการเยียวยารักษาและไม่มีอาหารให้มันกินอย่างนี้แล้วมันจะสูญพันด้วไปหมดเลยสัตว์นี่นะจะตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกับมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการกระทำกันนั่นแหละการแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ยวันนี้การแสวงหาปัจจัยสี่นี่ ถ้าหาว่าแสวงหาไปตามอํานาจของกิเลสอย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุให้ไปทําบาปทําชั่วเข้าไปเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่นี้เข้าไปอีกนี่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแสวงหาไปด้วยอํานาจแห่งปัญญาเราแสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมสเสวงหาอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองอเช่นนี้นี่ การเสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนี่มันก็ไม่เกิดโทษไม่เกิดบาปก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งในมัสมีองค์แปดประการสัมมากรรมโตอทําการงานชอบก็หมายเอาการงานที่ ไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปการงานอันนั้นก็อยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมเหมือนกันนะเช่นทนํานาอย่างนี้นะทนํานาก็ให้เอาศินเป็นหลักอย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะการทํานาแม้ทําสวนก็เหมือนกันทําการค้าการขายทำราชการงานเมืองเราก็เอาศินนั่นเป็นเครื่องดําเนิน เอาศีลด้วยเอาทำด้วยการกระทำการงานต่างๆมูนี้ระมัดระวังการกระทำไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่จึงเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัททำการทำงาน ให้อยู่ในกรอบเห็นแห่งศิลแห่งธรรมอย่างนี้แหละมันถึงจะไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปแต่คนส่วนหลายว่าทำไม่ได้ถ้าหากว่าไปเลือกอย่างนั้นแล้วก็อดตายส่วนมากว่าจะเห็นไปอย่างนั้น ม, มันไม่อดตายหรอกความจริงเนะี่ยไม่อดอ ม, มันจะอดอะไร คนไม่มีปัญญาต่างหากหรอกที่ว่าถ้าว่าไม่ล่วงศีลล่วงธรรมแล้วอดตายนี่คนขาดปัญญาต่างหากหากคนมีปัญญาแล้วอา้าวก็ไปแสวงหาอ่เครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเมื่อได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นสอนใจของตนอย่าให้มันเถเยอทถยานเกินนั้นไป เช่นนี้มันก็จะเป็นอะไรแล้ววันนี้ทำไมจะทาไม่ได้อันที่ทำไม่ได้นั้นเพราะเหตุว่าก็เมื่อเช่นอย่างว่าอาหารถ้าทนได้ชอบใจอาหารอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีอาหารอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ละเรื่องมันนะก็ไปติดแต่รสชาติของอาหารอยู่อย่างนั้นนะมันจะไป ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศิลปด้วยธรรมได้อย่างไรอ่ะนี่แม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะอืถ้าสิ่งใดที่ตนต้องการปรารถนาแล้วหากว่าไปขัดต่อศิลปธรรมแล้วเนี่ยไม่ไหวทําตามไม่ได้อถ้าทําลงไปแล้วก็อดออมันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนรอมันถึงพ้นจากกรรมจากเวร ต, ต่างไปไม่ได้ง่ายๆนั่นเนี่ยต่อเมื่อได้เกิดมาในโลกนี้หากอินทรีย์มันค่อยแก่กล้าขึ้นไปพอสมควรแล้วได้มาฟังํำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปรู้ตัวขึ้นมาแล้วว่านี่มันถึงได้ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นได้มัน เ, นเพราะว่า อินทรีย์เป็นเ ก, กล้าขึ้นตะมันมีสติมีปัญญาหาทางหลีกเลี่ยงจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้มันถึงไม่มีบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปคนเราถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่สนใจในการฟังคำสอนของอุปเทเจ้าอย่างหนึ่งและบางคนฟังคำสอนอุปเทเจ้าแล้วก็ไม่รับเอาคาสอนนั้นไปปฏิบัติตาม เช่นนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทนทุกทรมานอยู่ในโลกนี้ไปนานผู้ใดมีนิสัยอย่างนั้นนะขอให้เข้าใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้รู้ริงเห็นแจ้งในโลกนี้ได้แตเ่เลยทำไปตาม ความอยากความปตนาของตนซึ่งประกอบไปด้วยกิเลสบาปธรรมไปอย่างนั้นเรื่อยๆไปเลยไม่ไม่นึกที่จะดาเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบศิลชอบธรรมอย่างว่านี่นะไม่สนใจเลย เจอบาปก็ทำบาปไป เ, เจอบุญก็ทำบุญไปอันนี้ใสของคนทั่วๆไปมักจะมีอย่างนี้ไม่เลือกหมายเขาว่าอย่างนั้นเลยถ้าการงานอะไรมันไปขัดต่อการอาชีพแล้วไม่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เลยนั่นแหละก็ต้องร่วงสินไปเป็นอย่างนี้ สำหรับผู้มีสติมีปัญญาแก่กล้าขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถึงแม้จะอยู่ในฐานะขปันกลางไม่ร่ําไม่รวยอะไรก็ตามนี่พูดถึงผู้ครองเรือนก็สามารถรักษาสินรักษาธรรมได้อืนี่ว่าคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินขําอะไรโมนี้นะถ้าเขารู้สิน ร, รนะู้ธรรมโดยแจ่มแจ้งน่ะเขาก็ทำมาหากินคีบโดยทางสุจริตได้ ไม่ทำบาปบางคนก็อ้างว่าตนไม่มีตนไม่มีเงินไม่มีทองเออแล้วจะไปให้รักษาศีลรักษาธรรมได้อย่างไรมไม่มีเงินทองเหมือนอย่างคนอื่นเขาที่ร่ารวยมั่งมีมกักจะอ้างอย่างนี้แหละส่วนมากนะอืมแต่สําหรับคนมีสติมีปัญญาแล้วเขาจะไม่อ้างอย่างนั้นเลย เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโอษอยู่นั่นแหละแต่อย่างนั้นเขาก็มักน้อยสันโดษอย่างว่าเคยพูดอยู่บ่อยๆมีน้อยเราก็รับทานตามน้อยมีมากก็รับประทานบริโภคตามมากไปจะขอให้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ในตนเราเป็นพอนี่คนมีปัญญาองเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องนึกถึงได้ว่าถึงแม้ใครจะมี สมบัติมากมายเท่าใดตายแล้วมันก็เอาติดตัวไปไม่ได้อืเมื่อเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ก็เป็นทุกข์กับการครอบครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นต้องระมัดระวังกลัวว่าโจรมันจะมาที้มาปล้นเอาไปอะไรต่ออะไรทรัพย์ที่ตกกังวลอยู่อย่างนั้นคนมีทรัพย์มากนะหาได้มีความสงบใจสุขใจไหมนี่ ผู้มีปัญญาเขาก็ลำพึงอย่างนี้แล้วมันก็หายอยากหายอยากในสมบัติเข้าของเหล่านั้นมันก็มาเริ่มใสในสินในธรรมแบบนี้นะเออสินธรรมนี่แหละจะพาเราพ้นทุกข์ไม่ใช่เงินล้างเงินโกธอันนั้นพาเราพ้นทุกข์ไม่ใช่สินธรรมนี่ต่างหะจะพาเราให้พ้นทุกข์อออย่างว่าคนจนในชาตินี้นะเมื่อเขารู้ตัวอย่างนี้แล้วเขารักษาสินให้บริสุทธิ์ไป ไม่ทำบาปแล้วก็กระทำบุญทำทานไปตามประเพณีตามเท่าที่จะทำได้อันนี้สงสินอันนี้แหละเมื่อเขาเกิดไปพบใจชาติได้เนี่ยเขาจะมีฐานะอันมั่งคัง่งมาห น, นินะเออสมบูรณ์บริบูรณ์ดังคำท้ายให้สินนั่นนะเออสีเลนะสุกสิิยันติผู้มีสินจะไปสู่สุกตสโลกสวรรค์สีเลนโะโพกัสมปชา ผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโพคะสมบัติสีเลนะนี้ปุสิญันติผู้มีศีลจักได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดตัตสมาที่ลังวิโตทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ทางนี้นี้แสดงถึงอานิสง์ของบุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ มันก็จะยากจนอยู่แต่ชาตินี้เท่านั้นแหละขอให้ผู้ที่ยากจนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะควรพากันตัดสินใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ซะเราเกิดมาในชาตินี้นะแล้วเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์พ้สุขยิ่งไปกว่านี้หลายร้อยเท่าเพราะอานิสงส์ศีลนั่นแหละ มันติดตามไปตกแต่งให้เหมือนอย่างพุทธภาสิต ท, ที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยอันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์รู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอเรื่องหมูนี่นะรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลเชออ่นอย่างว่าเมื่อบุคคลรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะเมื่อเขาเกิดไปชาติใดต่อไปเนะี่ยเขาจะเป็นผู้ร่ำรวยสมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติลาบยศนนเสริญอะไรต่ออะไรพระองค์รู้่ะ รู้ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จึงได้มาตรัสพาสิทธิอนี้ไว้แต่และคนได้ฟังแล้วอย่างนี้ไม่ได้ใส่ใจเอามาคิดแล้วสงสัยก็ไม่ไม่เรียนถามท่านผู้รู้เพียงจะฟังไปอย่างนั้นแหละเออว่าผู้มีศีลย่อมสมบูรณ์ด้วยโพคัคสมบัติบางคนก็ว่า เ, ออเราก็มีศีลเหมือนกันนะไม่เห็นร่ำรวยอะไรหรอวะ เห็นจะไปจริงหรือมัอ้งรนี่ก็ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้นะหมายความว่าการรักษาศีล น, นั่นเป็นเหตุวันนี้การที่สมบูรณ์ด้วยโพค้าสมบัติอันนั้นมันเป็นผลทีนี้เหตุที่เราทำในปัจจุบันนี่นะมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อนอต่อเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนั่นนะเหตุอันนี้มันจึงอานวยผลให้ ในชาติต่ตอไปแต่ส่วนชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พก็อนิสงส์ศีลอนิสงส์ทานที่ผู้นั้นได้ทํามาแต่ชาติก่อนนีอมันตามมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนานะ่ยอย่าไปเข้าใจให้มันคล้อยเขกกันไปสับสนกันไปอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด เลยเบื่อนายไม่เยอะไม่ไม่ไมปราถนาที่จะรักษาสินไปซะเลยแบบนี้ด้วยรักษาไปก็แค่นั้นเนี่ยไม่เห็นมันเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยะส่วนมากมากเกิดจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าเข้าใจถูกว่าเออเนี่ชีวิตเราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อาศัยบุญเก่าที่เราทํามาแต่ก่อนนั้นก็เราทําบุญมาแต่ก่อนน้อยนี้ มันก็มาให้ผลตามน้อยอย่างนี้แหละจะให้มันมากกว่านี้ได้อย่างไรเราทำน้อยออการที่เรารักษาศีลหรือให้ทานในปัจจุบันนี้ก็เพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้ให้บริสุทธิ์จากบาศจากโทษ ต, ต่างๆทีนี้เมื่อตนชำระตนให้บริสุทธิ์ในชาตินี้ได้แล้วละโลกนี้ไปไปเกิดในโลกหน้าต่อไปมันก็ต้องสมบูรณ์บนสุกแน่ เพราะว่ามันไม่มีบาปกรรมอะไรตามติดตามไปให้ผลการที่บุคคลจะยากจนขนแค้นหรือจะมีร่างกายวิบัติอะไรโเนี้ก็เพราะบาปกรรมมันตามไปนี้บาปกรรมที่ตนทำในชาตินี้แหละมันตามไปตกแต่งให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้ถ้าว่าผู้ใดมาละบาปกรรมอันชั่วร้ายใดในชาตินี้แล้ว ต่อไปชาติหน้ามันก็มีแต่บุญกุศลเท่านั้นอํานวยผลให้อย่างเดียวบาปไม่มีแบบนี้นะนัออ่นเข้าใจให้มันชัดๆอย่างนี้เมื่อไม่มีบาปไปรบกวนแล้วมีแต่บุญอย่างเดียวให้ผลมันก็เจริญรุ่งเรืองไปแล้วคนเราอ อ, อ่ะเมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณวันละผ่องใสเ อ, อมีความสุขกายสบายใจ ปราศ จ, จากโรคใครไข้เจ็บต่างๆมีพลังคือกำลังกายแข็งแรงกำลังความคิดสติปัญญาก็แข็งแรงกำลังแห่งโภคสมบัตยุยธฐานาศักอะไรก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นี่อา น, นิสงส์แห่งบุญกุศลอา น, นิสงส์แห่งที่บุคคลมีความภาคเพีย พยายามละบาปออกจากกายวาจาใจของตนโดยไม่ต้องอ้างว่าตนเป็นคนรวยไม่มีโอกาสจะได้รักษาสินไม่ต้องอ้างว่าตนเป็นคนจนไม่มีโอกาสจะได้รักษาสินไม่อ้างเลยคนผู้มีปัญญาทั้งหลายเอไม่อ้างแล้วมีทรัพย์สมบัติมากก็รักษาสินได้อคนมีปัญญานะเนี่ย คนจนไม่มีสมบัติมากก็รักษาศีลได้อย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นเลย น, นี่ขอให้เอาไปคิดไปตรองดูสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังํำแนะนำสั่งสอนดังกล่าวมานี่นะถ้าพอที่จะปฏิบัติตามได้แล้วก็ขอให้ลงมือปฏิบัติไปเถิดมันจะเกิดผลดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าว่าไม่มีผลดีแล้วไซ้พราะพพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนขอให้เข้าใจนั่นก็แล้วกันถ้าผู้ใดเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องเชื่อต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้แหละเพราะศีลธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของคนอื่นอ่เป็นอย่างนั้นทานี้ผู้ที่มีอินทรีย์เ ก, กล้าขึ้น แล้วนอกจากมีศีลแล้วยังไม่จุใจไม่พอใจก็ต้องให้มีภาวนาอีกเอาต้องฝึกเมื่อไม่เข้าใจก็ไปไถ่ถามท่านผู้ที่ได้เจริญสมถะวิปัสสนามานี่ท่านจะได้แนะนำบอกแนวทางให้บอกอุบายต่างๆเกี่ยวกับการเจริญสมถะวิปัสนาให้ มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในะการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดการฟังธรรมนะ่ะอออย่าไปเข้าใจผิดโอ้ยฟังแล้วตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกท่านแสดงทำลึกมากอย่างนี้เยไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่แสดงมานี่นะมีทุกขั้นตอนเลยนับแต่ขั้นต้นต้นมานั้นนะเอา้าใครพอที่จะปฏิบัติ ตามได้ขั้นใดก็ก็ปฏิบัติไปตามขั้นนั้นสิเอาขั้นสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นตนยังปฏิบัติไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนแต่ก็จะตั้งใจว่าจะพยายามนี่ขอให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ะผู้เท่สามอาจปฏิบัติตามได้เพียงแค่การให้ทานอย่างนี้นะก็พยายามให้ทานไปสักก่อนแต่เมื่อบุญบารมีมันแก่กล้าขึ้นไปแล้ว มันขเกยับขึ้นไปออยากจะรักษาศีลเข้าไปอมันก็เป็นอย่างงั้นแหละผู้รักษาศีลห้าได้แล้วอย่างนี้นะเห็นเพื่อนรักษาศีลอวสถมันก็คิดนึกบ้างเอ๊ะทางนั้นเราก็รักษาอวสถลองดูเป็นไงอก็ไปไทยถามท่านผู้รู้ว่าการรักษาอวสถศีลนี่มีอะไรสง่งมากกว่ารักษาศีลห้าอย่างไรบ้าง นี่ท่านถ้าสงสัยอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะได้อธิบายให้ฟังเมื่อเห็นว่าการรักษาโอสถมีอันนี้สงฆ์มากขวารักษาศีลห้านั้นเข้าไปอีกมันก็จะพอใจวันนี้นะพอใจรักษาศีลอโสอจะได้สมมทานเอาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นี่เมื่อเมื่อกล่าวโดยรวมความลงแล้วก็จึงว่าไอความดี คือบุญกุศลทุกประเภทมันจะเจริญก้าวหน้าไปได้มันอาศัยการสังคมแท้แทนะ้นั่นแหละการสังคมแท้แท้เอผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ฉลาดในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปแสวงหาสังคมกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีท่านก็จะได้แนะนําสั่งสอนชี้แนวทางปฏิบัติให้ เมื่อได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พยายามฝึกขัดดําเนินตามไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะมันก็ค่อยเจริญขึ้นไปแม้ว่าไม่ไม่เฉพาะแต่สมัยปัจจุบันแม้แต่สมัยครั้างพระพุทธเจ้านัน่นก็นลองทบทวนดวูอืคนข้างนั้นน่ะก็เพราะได้ประชาคมกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั่นเนี่ย ท่านเหล่านั้นถึงได้รู้แนวทางปฏิบัติจึงลงมือประพฤติปฏิบัติกันแล้วได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษกันมากมายท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรคนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไป เ, ออเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์แม้แต่พระโสดาบันหมดอายุสังขารก็ไปเกิดสวรรค์เหมือนกันเลยกับท่านที่ไม่ได้บรรลุมรคนนั่นนะ คนเปกันอยู่นะตำราท่างกล่าวไว้นะเทวดาอยู่บนสวรรค์มีทั้งพระอริยเจ้ามีทั้งเทวดาสามัญธรรมดา อ, อย่างนี้แหละเท่าที่ท่านแสดงไว้ในตำรานันนะอย่างเช่นมีนางเทพธิดาตนหนึ่งได้ประพบเทพปรบุสองตนนึกทบทวนดูจำได้ว่าแต่เป็นมนุษย์ เทพบุตรสองตนนี้เคยเคยบวชเป็นพระภิกษุอแล้วเทพธิดาตนนั่นก็เคยได้ใส่บาตรให้อยู่แกเลยถามกันว่าท่านทั้งสองเนี่ยตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่โดนท่านได้บวชเป็นภิกษุใช่ไหมใช่บอกงั้นอได้บวชเป็นภิกษุนั่นแหละแต่เป็นมนุษย์อยู่นั้นนะแล้ว ท่านได้บรรลุคุณธรรมอะไรถึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิงนี่ได้บรรลุโสดาบันนางเทพธิดาตัว น, นั้นก็จึงกล่าวคำเชิงตำหนิว่าแมพ่พระคุณเจ้าทั้งสองเนี่ยเป็นแต่เป็นมนุษย์อยู่นั้นได้บวชเป็นพระภิกษุแท้ๆนะแล้วทำไมการประพฤติปฏิบตัติการบาเพ็ญธรรมน่า จึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรได้เพียงแค่บรรลุโสดาบันเท่านี้แต่ข้าพเจ้านะเป็นผู้หญิงนะไม่ได้บวชเลยปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนนะเพีงยงได้บรรลุโสดาบันนะแล้วว่าคุณเจ้าทั้งสองนี่นะทั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้นทําอะไรอยู่เห็นจะูมกมอประมาทอยู่กับมัง้งเทพบุตรสองตนนั้นนะ่ะ ได้ฟังเทพธิดากล่าวอย่างนั้นก็นึกละอายใจ แ, แทนที่จะโกรธเทพธิดาไม่ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่โกรธหรอกเพราะเขาพูดมีเหตุผลเพียงพอก็นึกละอายใจพอนึกละอายใจ ก, ยใก็พากันบำเพ็ญภาวนาเข้าไปทำในใจโดยอุบายแยบใครต่างๆเข้าไปานี่ก็เลยได้บรรลุสักขิธาคามีอันนี้ เลยเลื่อนชั้นขึ้นไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกัวนางเท พ, พธิดาตนนั้นเอนี่แหละไอเรื่องอย่างนี้นะที่นํามาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพื่อที่จะเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่เป็นภิกษุสามเณรทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้ควรพากันตื่นตัวกันอืม เพราะว่าคําสอนของผู้ใจเจ้านี่นะเมื่อผู้ปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทจริงๆเนี่ยก็สามารถทําอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้จริงๆหรือสามารถบรรลุบัลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ตามวาดสนามบรารมีของตนของตนได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท ร, รวมใจความแล้วเรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำนี่แหละขอให้จำอุบายธรรมะอันนีไวไส้สั้นๆก็ได้การกระทำนี่หมายความว่าเรามโน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาในใจมากรวดดูตนของตนว่ากิจที่ควรจะทำของเรามีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นเสกขอยู่ ยังจะต้องศึกษาต้องปฏิบัติอยู่เมื่อมาตรวจดูกายดูใจตัวเองเนะ่ะอ๋อขี้เลรอย่างนี้ตนยังละไม่ได้กี้เลรอย่างนั้นตนละมันมาแล้วอย่างนี้ยังละไม่ได้ตนจะต้องภาคเปียนพยายามละกี้เลรเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจนกว่ามันจะหมดจะสิ้ น, นก็ะเจริญสมถะทำใจส ง, งบลงให้ได้ น, นี่แหละ เมื่อใจสงบลงไปได้ดีห้ามจิตให้พุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้แล้ววัานี้ก็เจริญปัญญาสอนจิตใจตัวเองให้ละกิเลส ท, ที่ตอนอยังละไม่ได้นั่นนะหาอุบายมาสอนมันเลื่อยไปอันที่มันละกิเลตสต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มันก็มาหลงยึดมั่นในขันห้านี่แหละไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ถ้ามาเห็นแจ้งในขันห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วมันก็คลายความรักความชังความหลงความเมาต่างๆออกจากจิตใจได้ใจก็เป็นอิสระเสรีชื่อว่าเป็นผู้รู้ยิ่งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้